วัดนั้นเป็นวัดโบราณอยู่ริมแม่น้ําลบบุรีเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามีโบราณสถานหลายอย่างและก็มีต้นไม้ใหญ่ครึ้มไปทั้งบริเวณวัดหลายปีมาแล้วเพื่อนรักที่เรียนหนังสือด้วยกันโทรศัพท์มาจากบ้านที่ต่างจังหวัดแจ้งข่าวให้ทราบว่าคุณพ่อเสียชีวิตผมได้ยินก็อดตกใจไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ได้ทราบจากเพื่อนว่าท่านป่วยมาเป็นเวลานาน แต่เนื่องจากเราคุ้นเคยกันมากตอนที่ยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ผมเคยไปเที่ยวบ้านเพื่อนคนนี้หลายครั้งคุณพ่อของเพื่อนผมเป็นคนเก่าแก่กว้างขวางในตำบล น, นั้นและก็ตำบลใกล้เคียงงานในวันนั้นจึงมีผู้คนมาร่วมเป็นจำนวนมากนอกจากนี้เพื่อนผมแล้วก็พี่ๆน้องๆเขาเป็นข้าราชการระดับสูงๆกันจึงได้ขอพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษผมเดินทางไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันมา วันนั้นฟ้าครึ้มตั้งแต่ตอนบ่ายพอไปถึงวัดก็พบว่ามีผู้คนมาร่วมงานมากมายขณะนั้นเขานำศพขึ้นตั้งบนเมนแล้วผมทักทาย ก, กันกับเพื่อนที่เป็นเจ้าภาพสนทนากันอยู่ภาคใหญ่แล้วก็ปลีกตัวเข้าไปนั่งคอยเวลารวมกับแขกคนอื่นๆอยู่ในศาลาให้เพื่อนไปทักทายต้อนรับแขกที่มาร่วมงานเมนเผาศพที่วัดแห่งนี้อยู่ด้านหลังวัดซึ่งบริเวณนี้ครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆและด้านหลังเป็นทุ่งนา ตอนนั้นเป็นต้นหน้าหนาวชาวนาเพิ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวจึงมองเห็นทุ่งโล่งไปสุดตาเราไปนั่งอยู่ด้านข้าง ข, างของศาลาติดกับทางขึ้นเมนท่ามกลางแขกอื่นๆที่ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพจนแน่นขนดาดศาลาวัดที่กว้างขวางก็เลยดูแคบไปถนัดตาด้านหน้าของเมนมีศาลาหลังใหญ่อีกหลังหนึ่งคงใช้สำหรับเวลาที่มีการเผาศพโดยเฉพาะ ศาลาสองหลังนี้ขนาดใหญ่กว้างขวางไม่ได้ยกพื้นมีแต่หลังคาส่วนด้านในเอาเก้าอี้มาวางเรียงให้แขกนั่งตอนนั้นเป็นเวลาราวห้าโมงเย็นอากาศเย็นสบายเพราะลมจากทุ่งนาไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนที่กรุงเทพแต่ว่าตอนนั้นฟ้าครึ้มเหมือนจะมีฝนตกผมก็นึกในใจว่าหลังจากเสร็จงานนี้อาจเจอฝนระหว่างทางขากลับบ้านเป็นแน่ผมนั่งมองไปรอบๆ บ, บริเวณวัด สังเกตเห็นว่าเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนมากผมเคยมาที่วัดนี้หลายครั้งตอนเรียนจบใหม่ๆ ม, มางานบวชเพื่อนที่วัดครั้งนั้นพวกเราที่เป็นเพื่อนนักเรียนมาร่วมงานกันหลายคนมาล่วงหน้ากันคืนหนึ่งตอนกลางคืนทำขวัญ น, นาคเสร็จก็มีการเลี้ยงกันเช้าเขาก็แห่นาคไปวัดตามธรรมเนียมต่างจังหวัดมีแตรวงมีกลองยาวเป็นที่สนุกสนานกันมาก ผมยังจำได้ว่าให้เพื่อนขี่คอตอนแห่หน้าเดินรอบโบสถ์ซึ่งตอนนี้ได้ถูกบูรณะใหม่สวยงามขณะที่ผมกำลังคิดอะไรเพลินๆคอยกำหนดการพระราชทานเพลิงซึ่งจะมีขึ้นในเวลา5้าโมงครึง่งลมก็เริ่มพัดแรงจัดขึ้นจนใบไม้แล้วก็เศษไม้เล็กๆที่ตกอยู่ตามบริเวณวัดปลิวว่อนไปทั่วสักพักฝนก็กระหน่าลงมาอย่างไม่มีปีมีคลุยทั้งทงที่ไม่ใช่ฤดูการ ลมก็แรงทำให้สายฝนสาดเข้ามาในศาลาที่นั่งอยู่จนคนที่มาร่วมงานซึ่งนั่งติดกันด้านริมของศาลาต้องพากันยกเก้าอี้มาเบียดกันอยู่ตอนกลางของศาลาจนแน่นขนาดสักพักหนึ่งขบวนรถที่อัญเชิญไฟพระราชทานก็มาถึงวัดฝนยังตกกระหน่าอย่างไม่มีทีท่าจะหยุดเพื่อนผมแต่งชุดข้าราชการสีขาวไปตั้งแถวพร้อมๆกับญาติพี่น้องตามธรรมเนียม มีคนถือร่มใหญ่กันฝนให้กับเจ้าพนักงานที่อัญเชิญไฟหลวงส่วนคนที่ตั้งแถวยืนรับอยู่ต่างก็เปียกโชกไปทุกคนเมื่ออัญเชิญไฟพระราชทานบนเมนแล้วก็มีการจุดไฟเป็นปฐมะเริกฝนที่ตกแรงอยู่เมื่อครู่ก็หยุดสนิทอย่างน่าประหลาดใจบรรดาแขกที่มาในงานก็ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์บนพานใบใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าศพ บ, บนเมน ผมกับเพื่อนอีกคนก็ลุกขึ้นยืนเตรียมตัวจะขึ้นไปบนเมนแต่ว่าขณะนั้นมีคนจำนวนมากทางขึ้นเมนแน่นขนาดจนเบียดเสียดกันในขณะที่ความสนใจของทุกคนกำลังอยู่บนเมนเผาศพนั่นเองผมก็มองไปยังศาลาหลังเล็กที่อยู่ข้างๆอย่างไม่ตั้งใจแล้วก็ต้องสะดุง้งนั่นอะไรกันในแสงสลัวของตอนเย็นตรงมุมศาลาหลังเล็กด้านในที่อยู่ติดๆกัน ผมเห็นพ่อของเพื่อนในชุดสีขาวหน้าตาแจ่มใสหวีผมเรียบกำลังยืนมองผู้คนที่แออัดกันขึ้นไปบนเมนจะเป็นไปได้อย่างไรก็ท่านตายไปแล้วและผมกำลังจะขึ้นไปเผาอยู่เดียวนี้หรือว่าจะเป็นผู้ที่มางานศพและมีหน้าตาคล้ายกับคุณพ่อของเพื่อนผมหันไปมองเพื่อนที่มาด้วยกันเห็นแต่ด้านหลังเพราะว่ากำลังเดินขึ้นไปทางเมนเผาศพ หันไปดูแขกคนอื่นๆที่ยืนข้างๆกันก็พากันหันหน้าไปทางเมนอย่างเดียวกันหมดตอนนั้นอากาศเริ่มเย็นลงแถวของผู้คนที่ไปเผาศพเริ่มเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อขึ้นไปบนเมนผมขยับเท้าเดินตามเขาแต่ก็หันกลับไปมองทางด้านข้างสาลาหลังเล็กอีกแล้วก็ต้องตกตะลึงคราวนี้ผมเห็นได้ถนัดชัดเจนขึ้นห่างกันเพียงไม่กี่วาอย่างนั้นและนี่ก็เป็นกลางวันแสกๆถึงจะมืดครึ้มอย่างไรก็ตาม พ่อของเพื่อนยังคงยืนสงบอยู่ตรงมุมศาลาติดกับเสาต้นใหญ่ครูเดียวก็หันหน้ามาทางผมราวกับรู้ว่ามีคนมองพร้อมกับยิ้มให้แล้วค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาผมยังจำติดตามมาจนถึงทุกวันนี้รอยยิ้มนั้นเป็นรอยยิ้มใจดีเหมือนที่ผมเคยเห็นตอนไปเที่ยวบ้านเพื่อนผมสะดุง้งหันไปรอบๆผู้คนที่มาเผาศพต่างค่อยๆเดินขึ้นไปบนเมนช้าๆ คงไม่มีใครมองไปที่ศาลาหลังเล็กและเห็นอะไรอย่างที่ผมเห็นเป็นแน่มองไปที่เมนเพื่อนรักของผมในชุดข้าราชการสีขาวกำลังยืนอยู่กับครอบครัวตรงบันไดเมนเพื่อขอบคุณและส่งแขกที่เผาศพเสร็จแล้วตามประเพณีธรรมเนียมผมเดินตามกลุ่มคนขึ้นไปด้วยหัวใจเต้นแรงพอถึงบนเมนเผาศพผมยกมือที่ถือดอกไม้จันทร์ขึ้นไหวศพขอให้คุณพ่อของเพื่อนไปสู่สุขติลมพัดมาวูบหนึ่ง ควันทูบในกระถางลอยมาประทะจมูกราวกับจะรับรู้ผมหันหลังกลับเดินลงจากเมนก็อดมองลงไปที่ศาลาหลังเล็กไม่ได้ที่ตรงนั้นว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่แม้แต่คนเดียววันนั้นเผาศพเสร็จผมก็ขับรถกลับกรุงเทพไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจนเดี๋ยวนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าวันนั้นตาผมฝาดไปหรือเปล่า